พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสันสันนิยสนทนาคือชื่อของรายการนี้ที่กําลังจะมาพบท่านแล้วก็นําท่านเข้าสู่การสร้างกุศลตั้งแต่ตอนแรกของรายการด้วยการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการฟังพระสูตรภายใต้การนําของพระอาจารย์ที่สอนปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจํานั่นก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนไฮโศกอุดรธานีนะคะท่านฟังที่เคารพค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะได้กุศล จากการที่ได้สังสมสุตตะคือสะสมคําสอนของพระศาสดาซึ่งพระพุทธองได้ตรัสไว้นะคะว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งกันตลอดทั้งรายการเลยด้วยเนื่องจากรายการนี้จะพูดแต่ในสิ่งที่พระพุทธองสอนนะคะและสําหรับตอนนี้ก็ไปกราบนมัสการพระมหาภัยบุ์อภิปุลโนพร้อมๆกันเลยคะ่นะนมัสการกับท่านคะ่ะเจริญพรในทุกวันเวลาช้าหลังจากที่เรามาพบปะ จเจอๆกันก็นําธ ร, รรมะคําสอนของพระชาติมาให้ฟังนะฟังแล้วเราก็ปฏิบัติทําไปด้วยแเนะนื่องจากการที่เราเปิดหูฟังสิ่งที่เป็นธรรมะฟังเข้าไปในใจแล้วถ้าใจเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นไว้การฟังนั้นจะทําให้เกิดประโยชน์มากจะทาให้เรามีความเข้าใจในเรื่องธรรมะได้มากยิ่งขึ้นด้วยแตนะ่เวลาที่เราจะทําจิตให้มีสติให้มีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้มีฐานที่ตั้ง นะซึ่งฐานที่ตั้งในที่นี้เราก็ใช้เรื่องที่พระรูชาเองในะตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็ได้ทําเทคนิคนี้นัะนนั่นก็คือเรื่องของอานาปานาสตนะิอนาปานาสติก็คือการที่ให้เรามามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจของเราที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ผ่านในโพรงจ ม, มูกเนี่ยเราก็มาตั้งจิตของเรานะให้มันมาอยู่ที่นี่ให้มันมารู้ึกถึงะนึกถึง ลมหายใจของเราไนดะ้ที่ตำแหน่งนี้เรารับรู้ลมหายใจของเราได้ที่ตำแหน่งไหนแล้วจิตของเราจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นเมื่อไหรก็ตามที่จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจในเมื่อนั้นจิตเราก็จะมีสติตั้งขึ้นทันทีในบางครั้งบางเวลามานจะมีความคิดนึกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะก็ก็ธรรมดาเพราะว่าอย่างน้อยเรายังมีจิตที่มีสติอยู่ในตรับใดที่เรายังไม่ลืมลงลมหายใจนะต่อให้อีกข้างหนึ่ง นีอีกความคิดหนึ่งอาจจะมีอยู่แต่ถ้าเรายังมีจิตตั้งอยู่กับลมหยใจนั้นก็ดีแล้วในขณะที่เรามีสติตยอยู่นี้ก็มาฟังใคร่ครวญในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในหลายๆโอกาสหลายๆครั้งเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเนื่องจากที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนมากเนื่องจากนําเรื่องราวอุปมาอุปไมยนํามาบอกสอนอยู่ในวันนี้ก็จะนําเรื่องราวอุปมาอุปไมยทพระุทะาเคยยกตัวอย่างเกี่ยว ก, กับเรื่องของการเลี้ยงวัว ในการเลี้ยงโคเอาไว้เขาได้ตรัสไว้ในที่หนึ่งอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ11อย่างต่อไปนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทําให้เพิ่มกําไรได้องคุณส1บออย่างนั้นคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ต้องเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโค เป็นผู้คอยเคี่ยวไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุมควันเป็นผู้รู้จักท่าน้ําที่ควรนําโคไปเป็นผู้รู้จักน้ําที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคที่เป็นจ่าฝูง เป็นพ่อฝูงโดยการเอาใจใส่เป็นพิเศษพิสุตหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณสิเป็นอย่างอย่างนี้แหละย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทําให้เพิ่มกําไรได้ข้อนี้ฉันใดเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณสิเป็นอย่างต่อไปนี้แล้วก็ย่อมเหมาะสมที่จะทําให้ถึงความเจริญงอกงามไปบูุ์ในธรรมะวินัย น, นี้ได้ฉะนั้น องคุณสิเอ็ดอย่างคือจะในกรณี น, นี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้เกียรไข่ขางเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นผู้สมควันเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้าที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไป เป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือบ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงด้วยการบูชาเป็นพิเศษก็อย่างไรเล่าที่ว่าเธอเป็นผู้รู้จักรูปคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใด ชนิดหนึ่งก็ตามทั้งหมดเหล่านั้นชื่อว่ารูปกล่าวคือความที่มีรูปได้แก่ท่าทั้งสและรูปอาศัยท่าทั้งสเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าผู้ที่รู้จักรูปบุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้ย่อมรู้ชาติตามที่เป็นจริงว่าคนผ่านมีการกระทําเป็นเครื่องหมาย บันดิตก็มีการกระทาคือกรรมเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นนี่แหละเป็นผู้ฉลาดในลักษณะพิสูจน์ถ้อยบุคคลเป็นผู้คอยเกียร์ใคขงังเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อดกลั้นได้ละบันเทาทำให้สิ้นสุดเสียแต่ไม่ถึงความไม่มีซึ่งความคิดทางการความคิดทางปยาบาด และความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นเป็นผู้ละบรรเทาสลัดคืนทําให้สิ้นสุดเสียทําให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุโสธรรมอันลาโมงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้คอยเกี่ยวไ ข, ข่ขางและเธอเป็นผู้สมควันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟัง ได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้สุมขวัญพิษุตตองหลายเจอเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาพิสุผู้เป็นผร้สูตรคล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาทรงแม่บทก็ไต่ถามไล่เลียงโดยตำหน่งนี้ว่า พุทธวจะนะบทนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งข้อความนี้มีอย่ไรไรื่งนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านบระสูตรเหล่านั้นจึงทำข้อความที่อย่างลี้ลับให้เปิดเผยทำความอันลึกซึ้งให้ตื่นและบรรเทาถ่ายถอนความสงสัยในต่าทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยต่างๆให้แก่เตอปุณณ์ได้ อันนี้คืออุปมาอุปไม้ที่ผู้เช่ายกขึ้นเพื่อดีจะอธิบายถึงลักษณะธรรมะต่างๆที่บุคคลควรจะทราบในเบื้องต้นในเบรีที่ว่าการเลี้ยงโ<ข>คเชลพานค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่ารู้สึกตัวบทแพญชนะนี่จะมุ่งตรงไปที่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทอเนี่ยนะคะใช่อ่านพระสูตรจะเห็นภิกษุทอจุดอืมอ่าแล้วก็บอกทางให้กับพวกเราด้วยพระสูตรเหล่านี้ด้วยหรอคะ ถูกต้องเพราะว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมันมันเป็นไปมันเป็นเส้นทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางที่พิกธุูเดินหรือทางที่คารวาสเดินเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันอยู่แต่แต่ว่าวิสัยของการปฏิบัติเนี่ยจะแตกต่างกันในเรื่องของศีลบ้างแต่ในลักษณะที่อาจมาพูดมาตรงนี้เป็นเรื่องของธรร ม, มะอยู่เนี่มันก็จะมีส่วนที่ใช้ด้วยกันได้แน่นอนค่ะเพรฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าทําตัวเยี่ยง ควบคูที่จะประสบความสําเร็จในการบรรลุมาอย่างนั้นถูก<ช>ต้องค่ะแต่โ<ล>สรุปนะดังนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าท่านั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของอย่างที่เราดูรายการกอล์ฟก็จะมีกอล์ฟทิปอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ น, นะคะอันนี้เป็นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ เ, ออเป็นวิธีการทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องสีงเป็อย่างนี้นะสี่เปอย่างที่อธิบายมาเนี่ยก็คือเรื่องมาบางอย่าง ทีนี้ตัวตัวมาเองเนี่ยพอมาพระสุตนี้เราก็ก็ไม่เคยเลี้ยงโคอะใช่พอไม่เคยเลี้ยงโคก็ไปสอบถามชาวบ้านว่าไอ้ที่เขี่ยไข่างเนี่ยอันนี้สงสัยก่อนแรกเลยว่าไอ้ไข่ค้างเนี่ยมันคืออะไรเช่นเดียวกันเลยค่ะดิฉันก็สงสัยนะคะว่าท่านให้เขี่ยอะไรคะคือโคเนี่ยมันจะเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะอันนี้คือชาวชาวเลี้ยงโคหมายถึงเด็กเลี้ยงโคเนี่ยหรือว่าชาวบ้านชาวนาที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเขาจะทีิบายให้ฟั ง, งว่าบางทีเนี่ย ผิวมันแห้งหรือมันเขา่ามันโดนกันมันก็จะมีแผลแตกนะแผลแตกตรงนี้ภาษาคนเลี้ยงโคก็เรียกว่าลินะลาลิงสไลอ์ลินะี่คือแผลแตกนะพอมีแผลแตกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีพวกมแมลงวันหรือมแมลงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาไข่ใส่ในะบริเวณนั้นนะพอมาไข่ใส่ปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นตัวหนอนของไข่เนี่ยนะเกิดเป็นตัวหนอนมันก็จะบ่อนชัยแผลตรงนั้นของโค ซึ่งบางทีแผลเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ตามอะไรนะรอยของโคผิวหนังของมันเป็นรอยแตกเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งคนเลี้ยงโคนี่จะต้องดูให้ดีว่าในแผลต่างๆแล้วเนี่ยมีแมลงอะไรมาไข่ใส่ไหมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าขี้ไ ข, ข, ข่ขางขี้ไข่ขางคือไข่ของเจ้าแมลงมันพวกนั้นแปล ว, ว่าหากปล่อยให้เจ้าไข่พวกนี้อยู่บนผิวหนังที่แตกของโคเป็นนานๆ โคจะเกิดอันตรายใช่ใช่ใชแพ้ตรงนั้นจะบวมกล้ามเนื้อตรงนั้นจะแย่เนี่จะเป็นป a r a s i อยู่ในระบบเลือดของมันอะไรไปเรื่องหมายบีอีกงนั้นนะคะก็เลยเท่ากับว่าคนเลี้ยงโคควรมีคุณสมบัติรู้จักวิธีที่จะเคลียร์ยไอเจ้าไข่มแมลงอันนี้คือไข่ข้างค่ะอ่าเหมือนการกับเราเนะเวลาที่เรามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจต้องรีบเคลียร์ออกนค่ะ อันนั้นมันเป็น parasit มันเป็นแบบือะไรที่มันจะมาบ่อนชัในจิตใจของเราให้เราไม่ดีละต้องรีบเอาออกค่ะอันนี้คือลักษณะที่เราใช้ได้แ น, น, น่นอนแตอีกอันหนึ่งคือต้องรู้จักลักษณะของโคว่าโคตัวนี้เป็นอย่างนี้โคอ้วนเป็นอย่างนี้โคผอมเป็นอย่างนี้นี่คือคือเขาต้องรู้จักลักษณะของโคโคดีโคไม่ดีโคพันไหนอะไรยังไงเขาต้องทราบแตเช่นเดียวกันเราเนี่ย พูดที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่ในสังคมนี่เราพูดถึงคารวาสเลยนะแต่นะว่าคนทุกๆคนเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของเขาว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่พนะระเจาตรัสตรงนี้บอกว่าคนพานล้วนะก็มีการการะทำเป็นเครื่องหมายคนบัณฑิตคนดีก็มีการกระทำเป็นเครื่องหมายแเครื่องหมายในที่นี้หมายความว่าไงคือเราจะรู้ดูรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นคนพานคนชั่วจะดูรู้ได้ไงว่าคนเนี้เป็นคนดนะีซึ่งแต่ละคนเนี่ย ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยจะมีเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของเขาแตซึ่งบุรุชาให้ไว้3อย่างนะคือการกระทําทางกายการกระทําทางบาจาการกระทำทางใจนะคือถ้าคนชั่วเนี่ยก็มักจะคิดเรื่องที่ชั่วพูดเรื่องที่ชั่วทําการกระทําที่ชั่วแต่คนดีก็มักจะพูดดีคิดดีทําดีตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของบุคคลนี้ได้นะเราจะต้องฉลาดในเรื่องรูปตรงนี้นะฉลาดในเรื่องลักษณะตรงนี้ค่ะ อันนี้คือคือข้อข้อที่2ที่พูดให้ฟังมาสกุลนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต้องรู้จักท่าน้ํเาเรื่องของการสุมควันสุมควันก็ไพ่แต่เรื่องของการสุ่มควันเนี่ยอาจารมัก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องสุ่มควันให้วัวแล้วก็ไปถามชาวนาเหมือนกันคนที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็อธิบายให้ฟังว่ า, าคือมันวัวเนี่ยมันจะมีมะแมลงมาตอมันเยอะแยะไปหมดเลยนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงฤดูฝนนะหรือว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยมแมลงจะเยอะมาก มแมลงวันบ้างมแมลงอะไรเยอะแยะไปหมดนะซึ่งวัวก็จะลำแขวนนะมันก็จะอยู่ไม่เป็นสุขตามันก็จะถูกไอ้เช่าพวกมแมลงมาเจาะกินอะไรต่างๆของมันนะมันก็จะเป็นโรคเป็นอะไรเป็นเรื่องใหม่ไปอีกนะชาวนาเขาก็จะต้องสุมขวัญให้เพื่อที่จะไล่เจ้าพวกมแมลงมียุงมแมลงวันพวกนี้เป็นต้นแต่นะ <Okay. S 1> เขาจะต้องรู้จักการสุมขวัญวนะวัวก็จะสบายตนะ <Okay. S 1> อนมีการสุมขวัญซึ่งการสุมขวัญตรงนี้เปรียบกับอะไรเนะปรียบกับการที่ เราได้แสดงธรรมต่อไปนั่นพระเจ้ายกตัวอย่างบริยบเทียวการสูงกว่านี่ยคือการที่เราได้ฟังธรรมใดมาเราก็แสดงต่อไปอย่างนั้นเล่าเรียนมาอย่างไรก็บอกต่อไปอย่างนั้ น, น, นโดยละเอียดด้วยพวกเราอย่างพวกดิฉันที่ไม่ใช่ภิกษุเนี่ยก็เช่นเดียวกันถูกปะคะถ้าได้ฟังธรรมมาแล้วให้มีโอกาสถ่ายทอดบอกสอนต่อถูกต้องถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำค่ ะ, ะแล้วก็ข้อถัดมาคือรู้จักท่าน้ํา นีที่ควรไปเนื่องจากว่าโคเนี่ยมันไม่ได้คือมันขึ้นลงบันไดไม่ได้นะมันเวลาที่มันจะไปดื่มน้ําไปอาบน้ําอะไรต่างๆมันจะต้องมีท่าน้ําที่มันลงไปได้แต่ประเด็นถ้าท่าน้ําที่ชันเกินไปน่ยมันก็ลงยากน้ําไม่ลึกลึกไม่พอหรือว่าเวลาเดินลงไปแล้วเป็นตะลิ่งชันเข้าไปมันมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในน้ําได้อนันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคก็จะต้องรู้จักท่าที่ควรไป แต่เช่นเดียวกันเราเปรียบเทียบกลับมาถึงเวลาที่เราควรจะไปหาคนที่เขาคล่องแคล่วในเรื่องของคําสอนของพรนะเจ้าพระเจ้ามีบัญญัติเอาไว้อย่างนี้ต้นบัญญัติเดิมเป็นอย่างนี้บุคคลนี้เขารู้เขาา้าทราบเราก็ไปไต่าถามทวนถามในข้อความนั้นๆนะเหมือนกับได้ ไ, ดไปท่าน้ําที่ดีหลักานนี้ค่ะคือหมายถึงว่าให้ขยันที่จะไปซักซ้าได้เรียงเพื่อให้แตกฉานในธรรมมากยิ่งขึ้นใช่ เมื่อเจอผู้มีพระหูสูงใช่ท่านคะสมมุตินะคะแล้วเราไปวัดเนี่ยเกิดเรามันปัญญาน้อยเป็นไงก็ไม่ทราบไม่สงสัยอะไรเลยค่ะก็นั่งฟังที่เพื่อนเพื่อนก็ถามกันอย่างเงี้ยจะเสียโอกาสเป็นโคเป็นคนเลียนโคที่รู้จักท่าที่ควรไปไหมค ะ, อ, ะอันนี้จะเป็นลนักษณะของคนที่รู้จักน้ําที่ควรดื่มนต่นเพราะว่าเวลาที่มีใครแสดงทําอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฟังธรรมนั้ น, นฟังอยู่ยังตั้งใจฟังนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้จัก ดื่มน้ําที่ควรดื่มอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะเราข้อถัดมาคื อ, อฉลาดใน ท, ที่ที่ควรไปดเพราะว่าโคเนี่ยบางทีเนื่องจากตัวมันใหญ่เวลาถ้ามันไปในที่ใดบางทีมันเข้าได้แต่มันออกไม่ได้ดบางทีมันลงไปในหลุมหรือตมเนี่ยลงไปในขี้ตมแล้วมันก็ลุกยากมันก็ต้องรู้จักทางที่ควรไปไม่ควรไปซึ่งพระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมในที่นี้ก็คือว่าอย่าไปเกินนอกสติปัฏฐาน4ี่ หลังจะไปไหนก็ตามให้อยู่ในสติปัญสีสติปัญสีคือที่ที่ควรไปค่ะคือการนั่งสมาธิอ่าสติปัญสีก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมให้จิตมีฐานที่ตั้งนั่นเองครับคือการที่ให้จิตของเรานั้นไม่ใช่มันลอยละล่องไปไหนก็ตามถูกต้องถูกต้องแต่ว่าต้องให้มีที่อยู่ คือกายกายนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นเลยนะคะอะกายในที่เนี่ยไปถึงลหมหายใจของเราหรือกระดูกหรือว่าผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ ป, เป็นฐานที่ตั้งที่ใช้จิตของเรามาทรงอยู่ได้นะค่ะเวทนาก็คืออยู่ในอุเบกขาใช่เฉยๆนะคะดีอืแล้วก็จิตก็คืออยู่ในอที่าผู้รู้รู้จุดตังใช่ค่ะผู้ที่มารู้แล้วก็สุดท้ายก็คืออยู่ในธรรมะ ธรรมะธรรม น, นี่จะต้องเป็นไตรลักษณ์อย่างเดียวหรือเปล่าคะได้เรื่องของไตรลักษณ์คือการเห็นความไม่เที่ยงก็ได้เรื่องของเมตตก็ได้เรื่องของการให้ก็ได้เป็นคุณธรรมใดที่ดีๆเป็นกุศลธรรมได้ทั้งสิ้นเลยค่ะธรรมาคือรู้จักทางที่ควรเดินในเส้นทางที่ควรเดินไปก็แน่นอนตอนนี้มารคมี8งแมารคแปลว่าทางแต่เพราะนั้นทางที่โคควรเดินไปเนี่ยถ้ามันไปเดินทางที่มันขรุขระมากไอ้กีบเท้ามันก็จะแบบมีปัญหา ฉนะนันก็ต้องทางเดินก็เรียกทางเกวียนทางบวกควายเดินอย่างนั้นถัดนะมาก็คือเรื่องของการที่รู้จักบูชาผู้ที่ผู้เฒ่านะคือการรู้จักที่โคตัวพ่อฝูงเนะี่ยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะอนามาตขาก็ไปถามกันนะว่าอเออแล้วโคตัวพ่อฝูงเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงนะใช่ไหมต้องให้มันเดินหนำนะต้องพันไปก่อนต้องรู้จักการเอาฝนเขามันให้แหลมต้องให้มันกินก่อน ลักษณะเนี้ยเป็นการบูชาเกือมายว่าเป็นการทำต่อพ่อก็เรียกว่าพ่อฝูงในอย่างดีในนี้เป็นต้นในที่ชาวนาก็จะทำะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันจะคอยดูแล ว, วัวตัวนึงให้สัญญาณบ้างอะไรต่างๆบ้างมันก็จะช่วยดูแลได้อันนี้เปรียบเทียบกันกันกนกบว่าในธรรมะภายนี้ก็จะมีภิกษุละจะเป็นภิกษุคนไหนรูปไหนที่มีมีปัญสามากเป็นพระเถระ เราก็ให้ตั้งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานั้นประกอบด้วยเมตตาในบุคคลเหล่านันนา้นนี่เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นสิ่งที่ดีคือการบูชา ด, ด้วยวิธีการพิเศษอันนี้เป็นอุปฐมภประณ์ที่บุคชายกขึ้นเพื่อที่จะอธิบายนะสําหรับคนที่เลี้ยงโคเป็นอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยไปอยู่ในลักษณะแบบนี้มาก่อนจะทราบเลยจะแบบเข้าใจลึกซึ้งเลยนะซึ่งอะถมาไปถามเขาเนี่ยก็ถ เองเข้าใจว่าที่พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ควรเลี้ยงโคเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าโคเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของชีวิตของคนที่ประเทศอินเดียนะคะในสมัยนั้นวันนี้ก็ยั ง, ยงเป็นอยู่นะคะท่านค่ะออทุกวันนี้ก็เป็นใช่ใช่ใชค่ะ no. No. แล้วก็คงจะหมายความว่าโคที่ต้องเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์กับคนเยอะด้วยถึงจะต้องดูแลกันเป็นอย่างดีอืถ้าดูจากหลักเหตุผลเนะะี่ยค่ะ ทั้งทุกทุกวันเ ว, เวลาเช้าเนี่ยเขาก็จะไปรีดนมโคมากินก่อนนะ<ช>สดสดดื่มกันเลยในะนี้คนอินเดียทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังรวมถึงการดูแลคือเป็นเป็นเทพเจ้าของเขาด้วยอย่างหนึ่งนะนชีวิตเ<ช>ขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพาะเท่าที่ดูนะคะอย่างกับที่สะดุดตาแล้วเราจะตื่นเต้นกันมากก็คือเวลาที่เห็นเขาเอาขี้โคค่ะคื อ, อมูลโคเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนก้ก้อนกแปะไว้ตามฝาบ้านตร เต็ ม, น, มนั่นแสดงว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้รังเกียจแล้วคงเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากด้วยใช่ตรงนั้ น, น่ะคืออะไรไม่คุณโยมตืออ่ันตมาเพิ่งทราบจากการที่ไปอินเดียครั้งล่าสุดเองนะเขาเอาเอามูนโคเนี่ยมาผสมกับหญ้าหรือว่าพืชที่ที่เขาเรียกว่าสังข้าวเนี่ยนะแล้วก็มาแปะไว้ตามตามฝาบ้านตากให้แห้งเนี่ยแล้วพอได้ตรงนั้นมาแล้วก็มาบด น บ, น, นบไเป็นผงตรงนี้เป็นเป็นวัชพื ช, ช, พชเขาเรียกว่าเป็นยาฆ่าแมลงอย่างดีไม่ได้ฆ่าหรอกคือไล่แมลงไปเอาไปโรยไว้กันกับพวกแมลงพวกพืชที่เวลาปลูกเนี่ยแมลงจะไม่มีวัชพืชไม่มีวัชพืชก็ไม่มีศัตรูพืชก็ไม่มี น, นยังไปทําเป็นฟืนก็ได้นํามาโรยตรงนี้พวกวัชพืชศัตรูพืชไม่มีเลยดีมากเลยตรงนี้ค่ะถ้าเราอยู่อินเดียเราคงจะจําง่ายหน่อยในเรื่องของพระสูตรคนเลี้ยงโคนี้ ต่ทนี้พออยู่เมืองไทยนะคะเราก็มาทบทวนก่อนจะลาดีไหมคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าให้ทําเหมือนกับคนที่มีคุณสมบัติควรเลี้ยงโคสิบเอประการคือประการแรกให้เป็นผู้รู้จักรูปรู้ตามที่เป็นจริงว่ารูปเนี่ยอาศัยธาตุทั้ง4ี่ใช่ไหมคะถูกต้องรูปก็คือเรื่องของธาตุทั้งสี่ทีน้ําไลลมค่ะแล้วก็ประการที่สองก็ฉลาดในลักษณะคือ ให้สนใจในเรื่องของคนดีมีกรรมดีกายวาจาใจดีเป็นลักษณะที่ครดูได้ใช่ค่ะส่วนเคลียร์ไขข้างก็คือเป็นผู้ที่อดกลั้นได้เป็นผู้ที่ <ใน S 2> ละคุณธรรมถูกต้องอ๋อละอ่ะคุณธรรมค่ะส่วนพวกที่ปิดแผลได้ก็คือ ปิดแผลก็คือรู้จักการที่สัมรวมอินสีนนตาหูชูวมวกลิ้กนกายใจได้รับการปิดกันค่ะนะคะแล้วก็เป็นพวกสมควันสมควคันก็คือการที่บอกกล่าวธรรมะต่อไปนะคะเป็นผู้ที่รู้ธรรมะไม่อุบไว้คนเดียวบอกตอบใช่ส่วนผู้ที่รู้จักท่าที่ควรไปกันนั้ค่ะก็คือรู้จักพระที่ได้ทรงทมทรงวินยัย มีความรอบรู้แตกฉานในเรื่องของคําสองนพระเจาเข้าไปสอบถามปัญหาแต่ทวนถามคําถามพวกนั้นค่ะคือเข้าหาพระนะคะอยากอย่าไปเห็นพระดีๆแล้วปล่อยโอกาสไปอประมาณนั้นรู้จักท่าน้ําที่ควรดื่มก็ ค, คือการรู้จักไปหาฟังธรรมะที่เป็นตัวแม่บทคําสอนของพระเจานั่นเองค่ะรู้จักทางที่ควรเดินอันนี้คือมาร์กแปดรู้จัก แต่ฉลาดใ น, ในที่ที่ควรไปอที่ที่ควรไปนั่นคือสติปัานสี่ค่ะกับรีดนมโคให้มีส่วนเหลือออันนี้ก็คือหมายถึงกรณีของพระสงฆ์ที่ว่าถ้ามีการขอหรือมีการที่จ ะ, ะมีคนเข้าปราราณาเราจะขอเนี่ยก็ให้ขอพอประมาณให้มีส่วนเหลือไว้บ้าง อ, อืค่ะเอ๊ะถ้าโพดูดถึงฉันจะไปขออะไรใครคะอันนี้ก็พูดถึงกรณีของภิกษุไง อ, อ๋อค่ะ นะ ค, ะคือเหมือนไม่ให้ประทานโทษนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยบอกอย่าโลภเกินไป <c oughs> อย่า้ น, นะค่ะใช่ใช่นะคะส่วนประการถัดมาค่ะคุณสมบัติพวกบูชาผู้เท่าเนะะี่ยอนนี้ก็คือว่าให้ตั้งจิตที่เป็นเมตตาทาั้งกายวาจาใจเอาไว้ในในกับพระภิกษุที่บวชนานมีปัญญามากคนนั้นค่ะแล้วก็ท่านในเรื่องของโ ค, คคือให้เกียรติวัวผู้เท่าใช่ ปฏิบัติกับเขาดีๆหน่อย<ช>นะคะแต่ในเรื่องของภิกษุหรือเรื่องของพวกเราเนี่ยก็คือต้องให้ความสําคัญกับพระภิกษุที่มีอาวุโสกว่าด้วยความเมตตาใช่ไหมคะใช่เมตตากายบาจาและใจเราก็ควรจะเมตตาผู้ที่มีอาวุโสกว่าคนอื่นๆเช่นเดียวกันเชี่ยพานอันนี้ก็เป็นการครบแล้ว11ประการนิ้คิดว่าน่าจะทําให้ท่านนั้นจดจำไว้ได้เยอะเพราะว่าทบทวนให้ เป็นข้อข้ออะไรด้วยก็เวลาหมดพอดีแล้วค่ะเขียนบานนะคะกราบมนมสักการขอบพระคุณท่านไปบุญไปดายยิญญญญ่งค่ะเขน้นฝั่งที่ทุรกคะแล้ววันนี้เราก็เลยได้รู้นะคะว่าพระพุทธเจ้าอยู่อินเดียก็ส่งอุปมาให้คนที่อินเดียเนี่ยเข้าใจชัดๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติคนที่ควรเลี้ยงโคเป็นเช่นไรแล้วก็หมายรวมถึงมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของภิกษุหรือเราๆท่านๆ ท, านที่เป็น คนที่สนใจจะเดินตามพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีองค์คุณ11ประการนั้นจะเหมาะสมถึงความเจริญ ง, งอกงามไผ่บูนในธรรมวินัยซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนปรารถนานะคะเราติดตามรับฟังรายการสรนสานิสนทนากันโดยดิฉันสันสญนิยักงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพระมหาไผ่บูนอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับเราได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะสําหรับวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ